ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นของเหล่าสัตว์นั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชาติ19ึ่งราชาาเป็นไนะความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟั ล, ลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชรา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 ความไม่สำราญทางกายความท bas, juego, bas, ifying, ุกข์ทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์ 1-97 โทมนัสเป็นฉไนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สาราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 กละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้สัตววิตกในโลกคันทวิตกในโลกรัศวิตกในโลกโพธพ า, าวิตกในโลกธรรมวิตกเป็นปิยรูปภาษ า, า, า, าตรูปในโลกปัญหานี้เมื่อละกละที่ธรรมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลก